ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคม2551มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีขี้งกต่อเ น, นี้ไปตั้งใจฟังธรรมฟังเทศ วันนี้เป็นวันสนทสังเวทใจสวัสังเวทนยิยกคาถาคุณพ่อจะได้กล่าวสังเวทนยิยกคาถาวันนี้เกี่ยวกับการมรณาภาพของหลวงพ่อไพศาลปุญญาเสรีประวัติของหลวงพ่อไพศาลปุญญาเสรียวันนี้นะหลวงพ่อไพศาลฟังดูแล้วท่านก็บวชมา30สกว่าพรรษา แล้วก็อายุของท่านก็มาก79ปีเนีย่ยพูดแบบชั้นสั้นนะแต่ว่าเออมียังไม่เต็มดีว่างั้นจะยังขาดยเดือนนิดหน่อยพูดให้เต็มชัดเจนก่อนคือท่านเกิดมา79ปีก็รู้สึกว่ามากพอสมควรแล้วก็ท่านก็บวชมาอีกหลายปีอีกท่านก็เลยมา อยู่ที่วัดโคกสาครสาบจากสมพานมามาอยู่สองปีท่านหลบมาหาวิเวกเน่มาอยู่เห็นป่าท่านก็ชอบใจแต่ท่านอยู่ในเมืองในกรุงนะจากนั้นท่านก็หลบมาอยู่ที่นี่แต่ตกหน้าแล้งท่านก็กลับไปวัดเก่าของท่านแถบปฐุมธานีเนีต่อท่านก็ไปไปมามาท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านจะไปท่านจะมา พวกพระทางสมพานวัดก็ไม่ได้นสนใจเพราะท่านอยากจะมาอยู่ก็เอานิมนต์ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพักตามสบายบายของท่านแต่มาถึงคราวนี้ก็ถึงคราวมรณภัยมรณาภาพเข้ามาถึงจะทำยังไงได้ถ้าอยู่ในโลกใบนี้แล้วถึงจะอยู่ในกลางหมหาสมุทรอยู่ในท้องฟ้าอากาศ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 เเ อ, อเผาเพียงครั้งเดียวราะนั้นถึงจะทุกข์ยากลาบากยังไงก็ต้องมาเผาประชมเพลินกันให้ได้วันนี้ก็ได้มาพร้อมกันอย่างหลวงพอ่อลึครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เหมือนกันอยู่ในป่าโลงพงไพโดยมากเป็นโดยมากจะเป็นสมภารจะมากกว่าที่มาร่วมโดยมากมาจากปา่าวัดป่าเกือบทั้งนั้น เ, เห็นว่าเรื่องการมรณะเร่ ม, ม, มรณะ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 ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าผลเล็กๆยังไม่หล่นผลเล็กๆก็หล่นได้โตขึ้นมาก็หล่นได้หล่นไปตามลําดับจนผลที่สุดผลมะ ม, ม่วงหรือผลไม้อะไรก็ตามไม่เคยอยู่ข้ามปีต้องหล่นพอถึงกําหนดของมันแล้วก็สุกแล้วก็หล่นอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเบื่อเล็กๆตายก็มีพอเป็นเด็ก เมือวิ่งได้ตายก็มีพอเป็นเด็กหนุ่มสาวตายก็มีแต่พอมีครอบครัวตายก็มีตายมาตามลําดับลํำดั บ, บแต่ถึงยังไงก็ตามชีวิตของพวกเราทุกๆ ท, ท่านไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นมรณะภัยตัวนี้ไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะ่ะ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 หลวงพอเนี่เชื่อร้อยทั้งร้อยร้องั้นกน็มีเท่าไหรเชื่อทั้งหมดแล้วก็ตายแล้วต้องเกิดอีกเพราะเหตุไรไม่ได้เชื่อเพราะอย่างอื่นเชื่อเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะพระติจ้าท่านบอ ก, ท, บอกท่านสอนท่านขนฟ้าแล้ว เ, เมื่อเดือนปเพนวันตันสรุปธรมปรมเพราะพระติจ้าบอกว่าปุพเพในวาสานุสติญาณเราละ ล, ะลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกพระทั้งหลายภูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติ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 มันแยกกันโดยอัตโนมัติมันรู้ได้ด้วยตนเองในขณะที่จิตสงบใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแยกได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านจึงเชื่อมั่นว่าตายแล้วไม่สูญสิ่งที่ให้ไม่สูญนั่นคืออะไรคือใจคือดวงวิญญาณนั่นแหละแล้ถ้าหากว่ามาพูดถึงคนที่ทํากรรมชั่วท่านี่กรรมชั่วนั้น ไปสู่ทุกติคือคนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกลัม เ, เขาก็ทําตัวเป็นไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วเขาทำหมดทุกอย่างอบายยมุกทุกประเภทสุรานารีอะไรก็ตามที่เขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าชีตีสงสิ่งไหนก็ตามที่เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นบาปคนที่ไม่เชื่อว่า จะเป็นบาปเขาจะต้องทําบาปได้ทุกอย่างเพราะเหตุไร เ, เพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเนีเพราะฉะนั้นเขาจึงทําตามสบายใจของเขาแต่เมื่อทําตามสบายใจของเขาแล้วบาปกรรมไม่ได้ยกเว้นสําหรับวกเขาไม่รู้นะเออเขาไม่รู้คนจะยกเว้นให้เขาไม่ใช่เหมือนกับคนตาบอดแต่คนตาบอด เ, อเดินไปไปตกเหวเออเหวโอ้มันไม่ควรจะตกหรอกเพราะว่าคนคนนี้มันคนตาบอด จะไปตกเหวได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นเหวก็คือเหวอย่างเก่าตาบอดเดินไปตกเหวมันก็ตกได้ตกบ่อมันก็ตกได้อไปชนต้นไม้มันก็ชนได้จะไปเตะต้นไม้มันก็คนตาบอดก็เตะมันก็ถูกต้นไม้อย่างเก่าเอราะเหตุอะไรเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้หลีกคนตาบอดอันนี้ก็เหมือนกันบ า, กบาปกรรมบาปพกุศลทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หลีก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 แต่อนนี้ท่านมีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายของท่านท่านก็พยายามสอนลูกชายของท่านให้ประหยัดประหยัดคือถ้าหาว่าตัวเองสอนตามลำพังก็หัวลูกชายจะไม่เชื่อว่างั้นเถอะคือตั้งเป็นทีมขึ้นมาให้เข า, าไปไปเสียมสอนไปเสียมสอนคณะญาติพี่น้องเอาไว้ว่า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 นะหลานนะอันนี้คือสอนอยู่บ่อยๆ บ, บางน้นเกือบจะว่าอาทิตย์ทั้ครั้งสองสามครั้งที่สอนลูกชายคือให้ฝังหัวเอาไว้บางทนจะทีนี้ต่อมาทีนี้แต่พ่อไม่ต้องพูดถึงละ่ะไอพ่อที่เป็นพรามที่ที่เป็นเศรษฐีเน่ยเตศสีตั้งแปดิบโกรธนะั่นไม่ใช่ธรรมดาบางทนจะแต่แต่มีเงินมากเองสอนลูกตัวเองก็ต้องประหยัดต้องประหยัดให้ลูกเขาดูกัน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 ลูกเศรษฐีที่เป็นลูกชายเนี่ยก็เห็นกับพ่อนะ เ, อเห็นกับพ่อโอ้เขากองใหญ่เบ้เลอแต่ต่อมาหายเงียบไม่ได้บอกให้ลูกชายว่าเอาไปไหนทองเหล่านั้นว่างันต่ต่อมาก็มากองขึ้นมาอีกจากนั้นก็หายเงียบคือพ่อเนี่ยพอตกกลางคืนม า, าว่างๆแล้วก็ให้เขาไปขุดพวกขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็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 จากนั้นเนี่ยคนขี้ตะนีทีเหนียวขนาดนั้นคิดว่าจะไม่ตายก็ตายเป็นเหมือนกันนะอขนาดเศรษฐีไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันใครเลยเขาก็ตายเป็นเหมือนกันแต่พอตายไปแล้วเธอเนี่ยเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเขาก็ไม่ได้มีบุญกุศลแม้แต่ น, น่อยหนึ่งไม่ได้ติดตามเขาเลยว่ากันแต่เพราะว่ามีแต่กรรมทํากรรมชั่วใช่มากกว่าเพราะการทํามาค้าขายเขอย่างวาดทั้งเขียนทั้งตีทั้ง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 พลที่สุดก็เลยเขาว่าเอคนอั ป, ปีจันไรเกิดในกลุ่มของพวกเราแล้วลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยแบ่งแบ่งกลุ่มกันแบ่งครึ่งกันว่ากันเถอะแบ่งกลุ่มละห้าร้อยพอแบ่งละห้าร้อยเจ๊นะไอกลุ่มที่อยู่อยู่ห้าร้อยเนี่ยไม่มีอันจะ ก, กินอีกยากจนลงไปอีกเอพอมันคนอ ป, ปีจันไรมาเกิดในตระกูลว่างันเอะเขาก็แบ่งกันอีก คนละสองร้อยห้าสิบเท่าไแบง่งลงมาแบง่งลงมาจนรู้ได้ว่านี่แหละครอบครัวนี่แหละพายากจนพาพวกเรายากจนเขาก็ไล่ออกจากบ้านท่นี่พวกกลุ่มจันทันเขาไล่ออกจากบ้านครอบครัวในะสองผัวเมียกัมีลูกอยู่ในท้องอออกจากบ้านไปต่อมาเขาเกิดคลอดลูกคลอดลูกออกมาลูกของลูกชายของเขาเนี่ยผิดปกติ ตาเข๋ไปคนละทางหูไปคนละทางปากก็บิดเบี้ยวจมูกก็บี้ลักษณะอย่างนั้นอย่างั้นแต่คือสรุปแล้วก็คืออาการอัปลักษ์ในร่างกายของเขาร่างกายของเขาอัปลักษณ์ผที่สุดพ่อแม่ไปถึงยังไงก็เป็นลูกชายของเขาเขาก็ต้องเลี้ยงดเูเลี้ยงดูลูกชายของเขาพอต่อมาพอเป็นหนุ่มขึ้นมาพอจะเลี้ยงตัวเองได้พ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยลูกเอ้ย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 เจ้าพ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาพอสมควรแล้ว เ, เจ้าออกไปหากินตามลําพังเท่านั้นลูกเอ้ยพ่อแม่ก็เลยเอากะเบื้องใส่มือให้เขาพราหมเท่านั้นลูกชายของเขาก็ได้ได้กะเบื้องในมือเขาอาไปหาขอทานกินอดบ้างอิ่มบ้างไปตามประศรีภาษาเด็กระว่างงานเถอะพอที่นี่เดินไปเดินไปเขาก็ไปเห็นบ้านของเขาเอ บ้านจิริวัฒเศษถีเนะี่ยที่เป็นลูกชายของเขาเนะ่ยเขาก็เห็นเองอันนี้บ้านของเรานะเพราะวันนั้นเศรษฐีคนนี้พอตายไปเขาคงพญายมพอบาลคงจะลืมเอาไอ้ผลไม้ลืมลืมชาติให้กินก็มัง่งแต่คนเขาว่าบางคนว่ถ้าใครตายไปแล้วเวลาจะไปที่ไห น, นยมยมพอบาลเขาจะเอาผลไม้ลืมชาติให้กินนะกินเข้าไปแล้วลืมอะไรงั้นเหร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 ไอเด็กหนุ่มคนนั้นที่อัปปะักษณ์นะั่นพุทธองค์บอกว่าท่านก็จำเรืองดูพระอานนท์บอกว่าอานนท์นี่เด็กคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านหลังนี้มาเกิดนะเอออนนท์เศรษฐีนะ อ, อนนท์เศรษฐีมาเกิดนี่นะ อ, อนนท์เศรษฐีล้านี่พราะพุทธองค์บอกพอพระอานนท์ทราบพระ อ, อนนท์ก็เลยบอกให้บอกว่าให้ศิลวัตรเศษเรษฐีลงมาหาหน่อยมาพบหน่อยจากนั้นศิลวัตรเศรษฐีก็เลย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 ตีนนี้พอเขาใจดีแล้วให้ถามเขาน่าบอไอ้ทองคาที่ที่พ่อเอาไปฝังไว้นะ่ะเอาไปฝังไว้ที่ไหนเอที่มีรองเท้าทองคำบ้างมงกุฎทองคำบ้างเอ่่ยกไรบ้างเอ่ที่หม้อที่อะไรที่ผมเห็นนะั่ะไอ้พ่อเอาไปฝังไว้ที่ไหนเอบอกผมด้วยผมกำลังยากจนนะเดี๋ยวเนี้ยนให้ใคล้ายว่าพูดอ่อนน้อมถ่อมตน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 เด็กอภรรักษ์คนนั้นก็ไปก็เดินไปก็ไปชี้ให้ดูเนี่ยหลุมหนึ่งะนั้นหลุมหนึ่งนะนั้นลหนนนน ล, มหนนนนลุมหนึ่งนะเออสิริวัฒเศรษฐีก็เลยขุดหลุมลงไปแต่และหลุมโอ้เจอทองคําที่พ่อเอาไปฝังไว้นี่ยแต่ไปหมดทั้งห้าหลุมเลยงงเหมือนกันแต่เศรษฐีนี่ยไม่รู้เงินเท่าไหร่เหมือนกันแที่พ่อเอาไปฝังไว้เพื่อไม่ให้ใครๆเห็นไม่ให้ลูกชายที่แรกก็กลัวลูกชายจะเอาไป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 ออกจากจิตใจแล้วจิตใจจะบริสุทธิ์ถ้าพวกเราเไม่อยากจะให้ข้าวมันเกิดใช่ไหมเราก็เอาไปสีไปกระเทาะเปลือกมันออกซักจากนั้นเอาไปนึ่งสักเอาไปตากแดดสักะเนยหมดเชือ้อพอมเมล็ดข้าวหมดเชื้อเท่านั้นแหละเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากชำละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้ว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 อยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปราถนาทุกประการเทิน